ยะโตหังภะคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานาไิสันจิตจะปานังทีวิตาโวโรเบลตเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคาพาสะ